ตอนที่สิบความสงบภายในข้าพเจ้าได้เคยกล่าวมาบ่อยครั้งว่าคนที่จะมีอำนาจจิตเหนือคนอื่นได้จริงๆนั้นคุณสมบัติที่สำคัญและจำเป็นที่สุดก็คือสมาธิและสมาธินี้จะสูงแค่ไหนก็ให้สังเกตดูจากแสงสว่างที่ปรากฏในใจในขณะที่หลับตาเข้าสมาธิ หรือให้สังเกตดูจากโมโนภาพที่สร้างขึ้นมาถ้าแสงสว่างมีมากและโมโนภาพที่ปรากฏในใจนั้นก็ชัดมากก็แสดงให้เห็นว่ามีสมาธิดีมากและข้าพเจ้าได้ที่บายไว้แล้วว่าแสงสว่างที่ปรากฏในใจนั้นคือกระแสจิตหรือพลังของจิตที่ปรากฏออกมาในลักษณะที่เป็นแสง ในคำพีเคยใช้คำว่าสัพพาสังจิตตังพาเวติแปลว่ายังจิตที่มีแสงสว่างให้เกิดขึ้นข้อความอันนี้เป็นพุทธพจน์ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ที่จะได้ทิพยะจักสูนั้นจะต้องสามารถเข้าสมาธิทำจิตให้มีแสงสว่างเกิดขึ้นซึ่งถ้าแสงสว่างที่เกิดขึ้นนี้ สว่างมากจนได้มาตรฐานแล้วก็จะสามารถมองเห็นชีวิตต่างๆในโลกของโอปะปะิติกาตลอดทั้งเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆในโลกนั้นด้วยและของในโลกมนุษย์ซึ่งเล็กมากหรืออยู่ไกลามากหรือถูกซ่อนเร้นปิดบังเอาไว้ซึ่งตาธรรมดามองไม่เห็นนั้นแต่ด้วยอำนาจของแสงสว่างซึ่งเกิดขึ้นในใจ ในขณะที่เป็นสมาธินั้นจะทำให้มองเห็นได้ทุกอย่างเพราะแสงสว่างที่กล่าวมานั้นสามารถผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ทั้งหมดเหมือนกับคลื่นวิทยุหรือถ้าจะพูดให้ถูกคือยิ่งกว่าคลื่นวิทยุเสียอีกคือแปลว่าไม่มีสิ่งใดสามารถกั้นแสงสว่างที่เกิดขึ้นจากจิตที่เป็นสมาธินี้ได้เลย และแสงนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับกำลังของสมาธิเมื่อได้ทําความเข้าใจกันได้แล้วว่าแสงสว่างที่ปรากฏในใจนั้นก็คือกระแสจิตเรื่องอื่นๆก็จะเข้าใจง่ายขึ้นมากเพราะกระแสจิตที่ว่านี้ก็เป็นอย่างเดียวกันกับกระแสจิตที่วิ่งไปมาในสมองและในเส้นประสาททั่วร่างกาย และเพราะเหตุที่กระแสจิตย่อมมีแสงสว่างเกิดขึ้นด้วยเสมอไม่ว่ากระแสจิตจะแรงหรือไม่แรงคือถ้ากระแสจิตมีกำลังน้อยแสงสว่างก็มีน้อยถ้ากระแสจิตมีกำลังมากแสงสว่างก็มีมากและเป็นความจริงด้วยหากจะบอกว่าคนเราทุกคนย่อมมีแสงออกจากตัวเสมอไม่มากก็น้อยตลอดเวลา ซึ่งคนที่จะมองเห็นได้จริงๆก็คือผู้ที่ได้ทิพยะจักสุหรือไม่ก็ผู้ที่อยู่ในโลกของโอปปาติกะพวกนี้ย่อมเห็นแสงจากมนุษย์อยู่เสมอเพราะฉะนั้นเขาจึงรู้ได้โดยไม่ยากว่าคนไหนมีบุญมากคนไหนมีบุญน้อยคนไหนคิดอ่านอย่างไรมีอุปนิสัยใจคออย่างไรและรู้ได้จนกระทั่งว่า คนไหนจะมีเหตุดีหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นในการข้างหน้าพวกโอปปติกะที่เป็นชั้นปัญญาชนและเป็นนักสังเกตจะบอกให้ทราบได้เสมอกระแสจิตที่ปรากฏออกมาเป็นแสงสว่างในขณะที่ใจเป็นสมาธิกับกระแสจิตที่วิ่งไปมาในสมองและในเส้นประสาทก็คือกระแสจิตประเภทเดียวกัน แต่ก็อาจจะต่างกันตรงที่ว่ากระแสจิตที่ปรากฏให้เห็นในใจนั้นโดยธรรมดาย่อมมีพลังสูงกว่ากระแสจิตที่วิ่งไปมาตามปกติในร่างกายของคนเราขอให้สังเกตว่าในการที่เราจะบังคับหรือขอร้องหรือแนะนําให้ใครเข้ายินยอมตามความคิดเห็นของเรานั้นโดยปกติ เราก็ได้ใช้กระแสจิตของเราผ่านทางคําพูดสายตากิริยาท่าทางที่แสดงออกจึงทำให้เขายินยอมได้ฉะนั้นถ้าหากเราจะเพิ่มพลังจิตให้มากขึ้นกว่าเดิมอำนาจบังคับก็ย่อมจะต้องมากขึ้นเหมือนกับเราใช้กำลังไฟฟ้าหรือกำลังเครื่องจักรยกของหนักๆซึ่งถ้ากำลังสูงมากก็ยกของได้หนักมาก ในเรื่องนี้คอยทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งจริงๆแล้วท่านก็จะมองเห็นได้โดยเด่นชัดว่าคนที่จะมีอานาจจิตเหนือคนอื่นได้จริงๆนั้นจะต้องเป็นคนที่มีสมาธิดีมากสมาธิยิ่งสูงเท่าไหร่อำนาจในการบังคับก็ย่อมจะสูงขึ้นเพียงนั้นอย่าลืมว่าโดยปกติในชีวิตประจำวันของคนเรา เราก็ได้ใช้กระแสะจิตบังคับคนอื่นอยู่แล้วเป็นประจำโดยใช้ผ่านทางคำพูดสายตากิริยาท่าทางคราวนี้มาถึงปัญหาสำคัญว่าทำอย่างไรเราจึงจะมีสมาธิ ด, ดีและมีพลังจิตสูงซึ่งในเรื่องนี้ข้าพเจ้ายังไม่เคยที่บายในบทความเรื่องอำนาจจิต แต่ได้เคยอธิบายไว้ในหนังสืออื่นๆแต่สำหรับในตอนนี้ข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะอธิบายเรื่องนี้โดยเฉพาะในประเด็นที่สำคัญซึ่งส่วนมากยังไม่เคยอธิบายในหนังสือเล่มอื่นมาก่อนประเด็นที่สำคัญในตอนนี้ก็คือเรื่องความสงบภายในคนที่มีความสุขุมเยือกเย็นและหนักแน่น ไม่ขี้โมโหโทโสไม่ตื่นเต้นตกใจง่ายไม่หวาดหวั่นเกรงกลัวต่อสิ่งใดง่ายไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ง่ายคนที่มีลักษณะเช่นนี้ก็คือคนที่มีความสงบภายในซึ่งความสงบที่ว่านี้จะมีมากน้อยแค่ไหนย่อมขึ้นอยู่กับเปอร์เซนต์ของคุณสมบัติดังที่กล่าวมาเช่นถ้ามีความสุขุมเยือกเย็นมาก ไม่ตื่นเต้นตกใจอะไรเลยใครจะยั่วย้าอย่างไรหรือจะทําไม่ถูกใจอย่างไรก็ไม่โกรธง่ายยังใจเย็นอยู่เสมอก็แสดงให้เห็นว่าความสงบภายในมีมากและจาวที่กล่าวมานี้ท่านจะเห็นว่าการมีความสงบภายในเป็นสิ่งที่มีค่ามากคนที่จะฝึกสมาธิได้สําเร็จแค่ไหน และมีอำนาจจิตเหนือคนอื่นเพียงไรย่อมขึ้นอยู่กับความสงบภายในถ้าคนไหนพื้นเดิมซึ่งมีมาตั้งแต่เกิดเป็นคนมีความสงบภายในมากความสำเร็จในการฝึกสมาธิย่อมมีมากถ้าคนไหนพื้นในเรื่องนี้มีน้อยก็ต้องใช้เวลานานมากกว่าจะฝึกสมาธิได้สาเร็จปัญหาสำคัญจึงมีอยู่ว่า ความสงบภายในที่กล่าวมานี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและจะฝึกฝนอย่างไรจึงจะมีขึ้นมาได้ความสงบภายในตรงกับคําบาลีว่าวูปะสมะซึ่งคํานี้มีที่มาหลายแห่งเช่นในคถาบางสุกุลซึ่งเราได้ยินได้ฟังพระท่านสวดอยู่เสมอในงานศพว่าอา น, นิจจาวัตสังขารา อุปาทวยธรรมมิโนอุปัชิตวานิรุชันติเตสังวุปสโมสุขโขสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเพราะสังขารทั้งหลายเมื่อมีเกิดก็ย่อมีดับเป็นธรรมดาฉะนั้นสังขารทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นแล้วจึงต้องดับไปการทำให้สังขารทั้งหลายเข้าไปสงบเสียได้ย่อมเป็นสุข เขาให้สังเกต ต, ตอนสุดท้ายที่ว่าเตสังวูปะโมสุขโขซึ่งคําว่าวูปสะโมในที่นี้ตามศัพท์จริงๆแปลว่าการเข้าไปสงบอย่างวิเศษยิ่งและคําคํานี้หมายถึงการเข้าถึงนิพพานโดยเฉพาะซึ่งหมายความว่าสังขารทั้งหลายซึ่งในคาถานี้ไม่ใช่หมายเฉพาะแต่ร่างกายเท่านั้น หากหมายถึงความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างหมายถึงกิเลสทุกอย่างด้วยฉะนั้นในความหมายที่ลึกซึ้งจริงๆ จ, งจึงหมายถึงว่าสําหรับผู้ที่เข้าใจความหมายของคาถาบางสุกุลอย่างลึกซึ้งจริงๆนั้นท่านจะรู้สึกเห็นแจ้งประจักษ์ในใจว่าสิ่งใดเกิดจากเหตุสิ่งนั้นย่อมจะดับเพราะความสิ้นแห่งเหตุ และสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเลยที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยตัวของมันเองล้วนๆทุกอย่างต้องอาศัยเหตุต่างๆจึงจะเกิดขึ้นได้ร่างกายความรู้สึกนึกคิดอารมณ์กิเลสโลกทั้งโลกล้วนแต่มีเหตุมีที่มาทั้งนั้นจึงได้เกิดขึ้นฉะนั้นจึงไม่มีสิ่งใดที่ดับไม่ได้สูญสิ้นไม่ได้ กิเลทั้งหลายย่อมหลับได้สูญสิ้นได้แน่นอนความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายก็เช่นเดียวกันร่างกายก็เช่นเดียวกันการมองเห็นความจริงในเรื่องนี้เริ่มต้นจากการเห็นคนตายเพราะตั้งแต่แรกทีเดียวร่างกายนี้ก็ไม่เคยมีมาก่อนเพิ่งจะมีก็ตอนที่เริ่มมีวิญญาณมาปฏิสนธิในท้องแม่ และแล้วในที่สุดร่างกายก็อันตรธานสูญหายขึ้นชื่อว่าสังขารคือสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งหรือสิ่งที่มีเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นได้นั้นทุกอย่างเมื่อมีเกิดก็ย่อมมีดับร่างกายที่กําลังนอนตายอยู่ต่อหน้านี้คือพยานหลักฐานหรือข้อพิสูจน์ถึงความจริงที่กล่าวมา ถ้ามองเห็นเพียงแค่นี้ก็จะยังเข้าไม่ถึงความสงบภายในคือนิพานต่อเมื่อเห็นแจ้งชัดทุกอย่างโดยเฉพาะคือกิเลสเช่นตัณหาราคะเป็นต้นก็รู้แจ้งว่าสิ่งเหล่านี้ก็ดับได้สูญสิ้นได้ความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างก็ดับได้สูญสิ้นได้ต่อเมื่อรู้สึกเห็นแจ้งจริงๆเช่นนี้ ซึ่งในขณะที่เห็นแจ้งนี้ใจจะต้องเป็นสมาธิด้วยอย่างน้อยก็อยู่ในขั้นปฐมฌานจึงจะเริ่มเข้าถึงซึ่งความสงบภายในหรือพูดอีกในหนึ่งไม่เห็นแจ้งเช่นนี้แล้วก็จะรู้สึกได้โดยตนเองว่าขณะนี้ในใจมีความสงบที่แจ่มใสสดชื่นมากและรู้สึกเห็นได้อย่างชัดเจนอีกว่า ตราบใดที่ความสงบอันนี้ยังมีอยู่ในใจกิเลส ท, ทุกอย่างจะเกิดขึ้นไม่ได้และจะสามารถเอาชนะอารมณ์และสิ่งแวดล้อมได้หมดทุกอย่างความทุกข์ใดๆก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะรู้สึกเห็นแจ้งอย่างนี้จึงได้มีความแน่ใจว่าถ้าสังขารทั้งหลายเข้าไปสงบจะได้ย่อมเป็นสุขอย่างแน่นอนเรื่องคถาบางสกุลนี้ แรกเริ่มเดิมทีก่อนที่จะกลายมาเป็นประเพณีซึ่งถือกันว่าเมื่อมีคนตายเกิดขึ้นจะต้องนิมนต์พระมาสวดบางสุกุลและถือกันว่าการกระทำเช่นนี้จะเป็นการช่วยให้ผู้ตายไปสู่สวรรค์หรือให้ไปมีความสุขนั้นความจริงตั้งแต่เดิมคือในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงมีชีวิตอยู่นั้น ประเพณี้ไม่เคยมีเพิ่งมามีทีหลังแต่จะมีเมื่อใดแล้วเริ่มที่ไหนก่อนไม่มีใครทราบแต่ที่รู้กันดีเพราะมีเรื่องบันทึกไว้ในคำภีนั้นมีว่าในสมัยครั้งพุทธกาลมีพระภิกษุสงฆ์องค์หนึ่งชื่อมหาการท่านไปพิจารณาศพคนตายที่ป่าช้าในขณะที่เขากำลังเผา แล้วท่านก็เกิดรู้สึกสังเวชดังที่กล่าวไว้ในคาถาบางสุกุลนั้นจนกระทั่งในที่สุดท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอราหันต์เพราะความรู้สึกสังเวชดังกล่าวนั้นได้เป็นไปอย่างลึกซึ้งถึงที่สุดคาถาบางสุกุลที่กล่าวมานี้มีประโยชน์มากถ้าเราศึกษาให้เข้าใจความหมายของคาถานี้ทุกแง่ทุกมุม แล้วเราจะได้หลักในการสร้างความสงบภายในให้เกิดขึ้นในใจของเราแม้จะได้เพียงชั่วขณะก็มีประโยชน์มากขอได้โปรดศึกษาถึงความหมายต่างๆของคาถาบทนี้ให้ละเอียดประการแรกที่จะต้องศึกษาก็คือนา ม, มาทำทุกอย่างย่อมมีวิบากเมื่อใดความโกรธขึ้นในใจ เมื่อนานวิบาสของมันย่อมเกิดขึ้นในสันดานวิบากของความโกรธก็คือความโกรธที่สะสมอยู่ในจิตใต้สมนึกเช่นเดียวกับเมื่อเรากล่าวว่าเมื่อใดความรู้เกิดขึ้นในใจเมื่อนานวิบาสของมันย่อมเกิดขึ้นในสันดานวิบากของความรู้ก็คือความรู้ที่มีอยู่ในจิตใต้สมนึกเมื่อใดความทุกข์เกิดขึ้นในใจ เมื่อนานวิบากเข้ามาย่อมเกิดขึ้นในสันดานคำว่าในสันดานก็คือในจิตใต้สำนึกคือในภวังข้จิตเมื่อใดความทุกข์เกิดขึ้นในใจในใจก็คือในจิตสำนึกคือในวิถีจิตฉะนั้นโปรดจำไว้ให้ดีว่าเมื่อใดความสงบเกิดขึ้นในใจแม้จะเป็นเพียงชั่วขณะ มันก็มีวิบาเเกิดขึ้นในสันดานและถ้าความสงบที่ว่านี้เกิดขึ้นบ่อยๆก็แปลว่าในสันดานคือในภวังขจิตจะมีความสงบสะสมไวมากและถ้าพื้นจิตใจส่วนลึกของเรามีความสงบมากก็หมายถึงว่าเราเป็นคนมีนิสัยสุขุมเยือกเย็นหนักแน่นไม่โกรธง่ายใจน้อย ไม่ตื่นเต้นตกใจอะไรง่ายอย่างนี้เป็นต้นข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าคนที่จะฝึกสมาธิได้ง่ายถึงขั้นสูงนั้นพื้นเดิมซึ่งหมายถึงในจิตใจส่วนลึกจะต้องมีความสงบอยู่มากและความสงบที่ว่านี้จะต้องมีมาแต่กำเนิดด้วยคำว่ามีมาแต่กำเนิดก็ย่อมหมายถึงว่า เมื่อชาติก่อนๆเราเคยฝึกฝนในเรื่องนี้มามากพื้นความสงบจึงได้ติดสันดานมาถึงชาตินี้ที่พูดว่าบางคนฝึกสมาธิได้ง่ายก็เพราะเขาเป็นคนที่มีบุญบารมีมานั้นความจริงก็คือเขาเป็นคนที่เคยฝึกในทางสมาธิมามากนั่นเองจงกระทั่งเป็นคนมีนิสัยสุขุมเยือกเย็นเพราะความสงบภายในมีมาก การทาใจให้สงบไม่ว่าจะโดยวิธีไหนย่อมมีประโยชน์มากการปรงสังขารตามหลักในคาถาบางสุกุลนั้นเป็นวิธีหนึ่งในหลายสิบวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้และลองศึกษาอีกวิธีหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดังนี้ปะวิเวกราสังพิวิตตวาทาสังอุปสมัสสะจา นิทโรโหตินิปาโปรธรรมะปีติระสังปีวังผู้ที่ได้ดื่มรสแห่งควา ม, มวิวเวกและได้ดื่มรสแห่งความสงบภายในย่อบออกจากความกระวนกระวายออกจากบาปได้ผู้ที่ดื่มรสแห่งความปีติในธรรมก็ย่อมมีผลอย่างเดียวกันคือจะทำให้ความกระวนกระวายใจหรือความเร่าร้อนในใจต่างๆ ตลอดทั้งบาปต่างๆที่มีอยู่ในใจเหือดแห้งหายไปได้ซึ่งในเมื่อสิ่งที่กล่าวมานี้ไม่มีแล้วใจก็ย่อมสงบเยือกเย็นจำสายเบิกบานอยู่เสมอคาถาบทนี้อีกบทหนึ่งซึ่งในเมื่อศึกษาให้ดีแล้วเราก็จะได้หลักในการสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในใจของเราเบื้องแรก ขอให้เข้าใจความหมายของแต่ละคำในกระาบทนี้ก่อนคำว่าดื่มรสแห่งความวิเวกวิเวกในที่นี้หมายถึงกายวิเวกและจิตวิเวกกายวิเวก ค, ความสงบทางกายคือการได้อยู่ในสถานที่ที่เงียบสงบไม่มีสิ่งรบกวนจิตวิเวกความสงบทางจิตหมายถึงการเข้าสมาธิได้ จิตสงบจากนิวรณ์ทั้งห้าสำหรับผู้ที่ชอบอยู่ในที่เงียบสงัดชอบบำเพ็ญภาวนานั้นแม้เพียงได้อยู่ในสถานที่เงียบสงบก็มีความสุขแล้วเพราะมีโอกาสเป็นตัวของตัวเองมีความเป็นอิสระปราศจากสิ่งรบกวนแต่ถ้าเป็นคนไม่ชอบที่สงบไม่ชอบบำเพ็ญภาวนาก็จะไม่มีความสุข กลับจะมีความทุกข์เพราะความเหงาหรือเพราะกลัวอันตรายพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าสุโขวิเวโกตุทัสสะสุตตาธรรมัสะปัสโตแปลว่าความวิเวกเป็นสุขสำหรับผู้ที่ยินดีผู้ที่ได้ฟังธรรมและเห็นแจ้งในธรรมคำว่าดื่มรสแห่งความสงบภายในความสงบภายใ น, ย ใ, นในที่นี้ แปลมาจากคำว่าอุปสมสะสอุปปาสมะสะคำเดิมก็คือคำว่าอุปสมะคำนี้กับคำที่เคยกล่าวมาแล้วคือคำว่าวูปะสมาน้นมีความหมายอย่างเดียวกันทั้งสองคำนี้หมายถึงนิพพานพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในพรมชารสูตรว่าแม้แต่ถาคตจะรู้ถึงปานนี้ แต่ก็หายึดมั่นในความรู้นั้นไม่เพราะไม่ยึดมั่นในความรู้ทุกอย่างที่ตถาคตมีอยู่จึงได้บรรลุถึงความสงบอันสูงสุดความสงบอันสูงสุดในที่นี้ก็คือนิพพานตัณหายะวิปปหาเนนะนิพพานังอิติวุจติเพราะละตัณหาได้ขาดเราจึงกล่าวว่าเป็นนิพพานในที่นี้หมายความว่า ผู้ทีละตัณหาในสันดานได้ขาดหมดทุกอย่างจึงจะได้ชื่อว่าเข้าถึงนิพพานนิพพานก็คือความสงบอันสูงสุดขอให้สังเกตว่าผู้ทีละตัณหาได้แม้เพียงชั่วขณะเช่นในเวลาที่จิตเป็นสมาธิสงบจากนิวรา น, น, นทุกคนย่อมจะรู้สึกประจักษ์แก่ใจของตนว่าในขณะนั้น ใจสงบแจ่มใสปลอดโปร่งสบายแต่เพราะเหตุที่ตันหาต่างๆยังละไม่ได้ขาดความสงบจึงมีอยู่เพียงชั่วคราวแต่ถึงกระนั้นก็ทำให้รู้จักว่าความสงบภายในเป็นอย่างไรมีคุณค่าอย่างไร